หากเรายัางไม่รู้สิ่งที่สมมุติจะเกิดขึ้ว่าเราตายด้านเราตายด้านมันด้านการศึกษาธรรมะนี้ดูปรากว่าเมีมากที่สุดแต่ว่าศึกษาไปเท่าใดก็ยิ่งสงสัยขึ้นมาเท่านั้ น, นเป็นความสงสัยเนี่ยเป็นความทุกข์คมทุกข์ถ้าหากคนที่ไม่สลาดกับคนโง่เป็นคำเดียวคน คนที่ไม่สลาดก็เลยไม่รู้อันนั้นแหละทุก <Agre ed. S 1> คนโง่ ก, ก็เช่นเดียวกันคนโง่ก็ไม่ไม่รู้นั่นแหละจริงๆทุกคน <c oughs> ยานั่นคนสลาดแบบ น, นี้รับคนมีปัญญาแบบคนสลาดกับคนรู้คนมีปัญญากับคนรู้ <Okay. S 1> อย่างนั้นไปเปิดอบรมที่ไหนที่ไหนมักมีคนถามพ่ <c oughs> อ bon ม, <c oughs> มีคนถามบ่อยๆ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 บางคนรู้ไปใต้น้ำเป็นอุ้มรุ่งใต้น้ํานี่เป็นอุ้มลุงกุมๆหลงังคนบางคนคนรู้ไปทางมดหิมิตรทายเป็นในทองมหาสมุทรรู้ไปอย่างนั้นบางคนคนรู้ไปเมืองสวรรค์พุ่นไปถึงอินถึงพรมพุ่บางคนคนรู้ไปถึงนรกพุ่นความรู้อันนั้นเห็นไหมพิสูจน์ได้ไหมถ้าไม่เห็นไม่พิสูจน์ได้อันนั้นจึงว่าคนหลง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 แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เลยไปตรงเอากับคำพูดของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียโอ้พระพุทธเจ้าสอนให้คนรู้ทุกเหตุให้เกิดทุกรู้จักสมุิฐานของทุกและกลาวิธีดับทุกให้สิ้นลงท่านสอนสี่ข้อเรียกว่าัด จ, จัดสี่อย่างนี้ดังนั้นพวกเรามาปฏิบัติที่นี่เวลาน้อย